บุ๊กทูสิบเอ็ดเดือนบ bon <ne> ัวหลวงมกราคมแย่หลวงกุมภาพันธ์ฝีผัมีนาคม มัดส์เมษายนแอปริพฤษภาคมใบมิถุนายนอยู่มีอยู่หกเดือนเ e ็ดเป็นหกเดือนมกราคม กุมภาพันธ์มีนาคมเ ย, ยนัวเฟปวมัธส์เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนม i ถุนายนกรกฎาคม สิงหาคม a u g u กันยายน September ตุลาคม o c t o พฤศจิกายน November ธันวาคม December และยังมีอีกหกเดือนด้วยที่เป็นอักษร6เด er กระบกดาคมสิงหาคมกันยายนยูลิเอากุสต์สิบเซมเปอร์ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม November, December.